ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามท่านพระอนุรุทธว่าอนุรุทธะทราบว่าเธอนอนร่วมกับมาตุคามจริงหรือท่านพระอนุรุทธะทูล ร, รับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าอนุรธธาาุทธะฉะนเธอจึงนอนร่วมกับมาตุคามเล่า